เพื่อในที่เกิดเผยวันที่25สิงหาคม2555ณวัดสามบันตัดจังหวดัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งื่อสงของพระองค์เจ้าคือความตรงใจใกล้ต่อการประพฤติดีจิจวัตรหน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆ พึงทำด้วยความตรงใจเราจะประกอบกิตใดๆก็ตามถ้าขาดความตรงใจเรียกว่าขาดสติจะทำกิจิดทุละเล็กๆน้อยๆก็ข อ, ขอให้มีความตรงใจคือความตั้งใจไม่กิตทุรละนั้นๆ มีแสดงถึงเรื่องของสติที่เป็นไปกับคิดการ น, นั้นๆนแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียนอยู่ในตัวถ้าขาดความตรงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงามแต่ถ้าขาด ความจงใจแล้วผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพดเห็ น, นั้นความตั้งใจจริงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในจิตธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุดเราปัดกวาดลานวัด ก็ต้องให้มีสติอยู่กับปียาแห่งความธรรมของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผุ้ีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหัดนิสัยการฝึกหัดสติต้องอาศัยจิตการงานเป็นเครื่องฝึกหัด นั่งสมาธิก็เป็นภูร้อันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดสราก็จับว่าเป็นงานแต่และชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับกิจการงานซึ่งตนทําอยู่นั้น เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรยู่กับธุระหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวัฏขาตอนมีเรื่องการฝึกนิสัยของคู่ใจต่ อ, อการปฏิบัติจึงเป็นการพึกหัดสติไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความจงใจ หรือขากสติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียนขาดวักขาดตอนให้เริ่มพยายามฝึกขัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้เมื่อความเคยชินของจิตใจเราที่มีต่อการงานและความเคยชินของนิสัยซึ่งในฝึกผัดตั้งอยู่บ่อย การงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในใจิตใจเรียกว่าเป็นที่เลี้ยงของใจทีนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอ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 ซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพี่ยงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เงืดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่สนๆนหากที่เลี้ยงไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้ว เด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะเพราะความซุนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความซนต่ออารมณ์ซึ่งตนของตนไม่เคยสังส่งสมมาเป็นมีลานาจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความซุนเช่นนั้นต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จัดจ่อระมัดระวัง หรืออาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตคื่จิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลให้ ค, ควนให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไปได้เมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญา คู้ข้ามสอนอู่แล้วก็ฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นค่าตึกต่อตนเองอีกต่อไปให้เป็นเช้นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปในหลักมีการฝึกขัดจิตฝึกหัดสติฝึกขัดปัญญาให้ฝึกขัดทํานองนี้อย่าหัดเป็นคนมากง่าย เราเรียกว่าคนซักเศร้าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันไดก็ตามถ้าเราทำด้วยความซับเศร้ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโยคเมียรงังเข้าไปสู่ความมักง่ายในเวลาที่เราทำความสงบหรือทำความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้อีก เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอไม่ให้มีความซับซ้ามากง่ายฝังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความ จ, จ็บจ่อหวังต่อความสําเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อย ด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะที่จะนาทางด้านภายในจิตใจก็จะเป็นไปในทานองเดียวกันกับจิตการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่ความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่ความซักเข้าจะเป็นไปเพื่ความรอบคอบในจิตใจของตนเอง เรื่องภายนอกกับเรื่องภายในจอดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกระทํางานภายนอกจึงต่อดถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนซักซ้ามาดง่ายในจิตวิระหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัยซึ่งเคยอนี้ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บ่งงานในจิต ก, การภายนอกนั้น เมื่อเข้าไปบ่งงานหรือว่าทำจิตการงานภายนในใจที่เคยเป็นผู้ซัข้าวมาให้ก็จะต้องทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการสึกทัดให้เป็นคนแน่นอนให้เป็นคนจริงต่อภุรณาพี่ด้วยความจงใจ ทำจนสุดยิ่ใสในิจการงานนั้นนให้สำเร็จลงเลวกหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แลเมื่อเข้าไปดำเนินภายในใจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบกว่าดีให้เป็นไปในทางปัญญากว่าดีจะเป็นไปโดยรอบครอบทั้งสองทาง คือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญาก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญาเหมือ น, นกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อนสามารถจะบังคับกันาจเรียกว่าเหล็กกร้าสามารถบังคับเหล็กอ่อน หรือตับเลอก่อนก็ได้อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความเจรารดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันมีขึ้นอยู่กับการฝึกหัดนิสัย <c oughs> ให้พยายามฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ ปลายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเองมีเป็นการเทียบเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำวมาต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทํางานทีแรกหรือเริ่มอบรมจิตใจทีแรกเรียกว่าต้นทางการเริ่มทํางาน ในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสงบมีความเยืกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความแยกายทางด้านปัญญาบ้างนีเรียกว่ากลางทางักจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถ จนถอดถอนตนของตนให้พน้นจากสิ่งแยดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้ว <c oughs> ต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลละไมผลลไมเราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลลไมปลายของผลไมมองดูที่ไหนก็เป็นผลลไมลูกเดียวนั้นเอง <c oughs>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 แต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิิยาของใจคือจะพิจารณาในความหยาบปันกลางหรือความละเอียดแห่งความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่อุบายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความปานกลางหรือมีความละเอียด ซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจโรงเดียว่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความหยาบความละเมอียดเท่านั้นขอให้พากันปิกหัดนิในใสัยของตน ให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคนแคลนอย่าเป็นคนจับจดพุหัดนิสไกให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทาต้องทำกำหนดเวลาอย่างไรไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนกราดในเว ล, เวลาทึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้ว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 เพราะฉะนั้นเราต้อง <c oughs> เป็นผู้มีความแน่วแน่ต่อความดำริต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกิจการงานในอันใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วจงเป็นผู้พีชิตลงเพื่อความสัตย์หรือเพื่อกิจการนั้นๆเสมอ จะเป็นนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริงไม่เป็นนิสัยที่ว่าบอกแวทคนเคลืไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทําตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังขึ้นใครศีงก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเรา เป็นคนมกแยกคอนเค์นไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์และเราจะอาศัยใครเป็นที่ไว้ใจเมื่อเราเองเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเราเพราะเราเป็นคนไม่แน่นอน แล้วคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากสีนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพร้ะเหงศไม่แน่นอนผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองถึงจะพยายามทําสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในในธุระหรือในการกระทําของเราดีจะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิ ตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจกนกระทั่งถึงสมาธิท่านละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แนนอนในจิตการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักลอยสมาธิก็ไม่มีสินก็เป็นสินลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่นาน นี่โทษแทงความไม่แน่นอนโทษแทงความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของคนลงสู่หลักแห่งคำที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผลมาจากที่ไหนล่ะปัญญาจะหุงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้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 ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมคนมีความฉลาดหรือคนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบการงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจนสามารถประกอบได้เป็นการถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัตพษษิพุทธศาสนาสำคัญอยู่ที่ปัญญาชาติ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 ให้ฝึก ข, ขัดตนของตนเป็นทํานองนี้จิตจะได้อยู่ในกรอบของสติจะได้อยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกลหอบลมมาจนเคยกินจนจาเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่าน ใครลองดูเหตุผลตัดผิดตนทังตนได้ด้วยความถูกต้องเพราะอํานาจของปัญญาแล้วแม้จะเข้าไปข้างในคือหมายตั้งใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดผิดใจลงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอํานาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกันด้วยนั้นจงพากันพยายามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลา ตาถึงไหนให้สติกับปัญญาไปถึงนั้น <c oughs> หูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้นจ ม, มูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วร้ายใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมอ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 ที่ลดลงไปเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้ววิเลตัญหาอาสวะจะมาท้งรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่อายชนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะที่ลดลงไปสู่หวัวใจดวงนั้น ก็หมอใจตรงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อนไม่มีความเยี้ยไพ่ไม่มีความเช ย, ยเยาฉลาดไม่มีความรอบคอบต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจกงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้ที่เด็ดตันหาอัศวะที่ลดทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมขวดสําหรับผููที่จะดําเนิน <c oughs> เพื่อวิวัตตา คือความพิษโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสุ่งทั้งท่อน <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ <c oughs> เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ที่ไหนก็าตามถ้าพยา <c oughs> พยามระวังพยายามจิตค้น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 ให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่ตรองทั้งนัน้น <guard> เดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั้นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนสุงทั้งซ่อน เดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าความตั้งไว้ในใจเบื้องตนเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรับผอบในการงานในการภาวนาข้งตนไม่มี <c oughs> ก็เหมือนกันกับหัวต่อไม่เห็นติดแกนตันอัตถ์นี่ขอให้เราทั้งหลายได้ขีดขีดเดินม รื้อฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมารื้อฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สําหรับหัวใจของเราเองวิริยะไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อืน่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่เขาเหยียบย่ําหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปดเปลื้องสิ่งมหมองซึ่งเกิดขึ้นจากตน วิเลี่ยจึงกลายเป็นขี่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าที่โลกที่โกรธที่หลงที่ดีดังนี้เป็นต้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทางนั้นที่ท่านว่าที่หมายถึงว่าเป็นของที่หยาบก็เลยให้ชื่อยังนั้นเสีย เมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์ที่จะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในใจิตใจตรงเป็นผูุ้ึกัาสติเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรั้วกัน้นจิตยาให้เลย ขอบเขตของสติไปได้ปัญญาเป็นผู้เจรไนทิทางภายในที่จะนาให้ชัดนีพูดถึงเรื่องการพึกหัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจพึกหัดจริงๆเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอ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 แต่เราเสาะแสวงหาความเดือดร้อนใจเองนั้นเราไม่ทำเนึ่ยอาการที่สแสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวนี่ท่านเลี่ยกว่าสมุ ท, ทยัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุถ้าเป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผลที่จะพึนได้รับก็ต้องเป็นทุกข์ จะกลายเป็นสุขไปไม่นานรั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินจงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์กินเท้าฝ่าเท้าแตกก็มนะีดังนี้เป็นต้นมีก็สอให้เห็นแล้วว่า ท่านพยายามเอาจิงเอาจากแค่ไหนเพราะความที่จะแหบกว่าย จ, จากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเกี่ยได้ไม่ต้องมาเวียนว่าตายเกิดรับความทุกข์ความยากความลาบากเช่งอย่างศัพท์ทั้งหลายที่เป็นอยู่นั่นหมี้มีตัวบอกของเราเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทําความกระหายหรืร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ ใจทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกต ด, ดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกคร่องของเราทั้งวันแล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกคร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกัน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 ที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติฐานสี่คือฐานที่ตั้งแห่งสติอุตในงานหากจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี่แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี่แล้วปัญญาคล่องเคลีออยดีในสนลกลอากายนี่แล้ว เรียกว่าได้เดินทางใน อ, องค์แห่งอายะกะอย่างสมบูรณ์ทุกก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอยายะกะนี้สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อยายะกะนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญอยู่ในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไก่ตรองใน ธาตุทันงเรา น, น, นิโรธความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของครุชั้นต่ำจนกระทัง่งถึงชั้นสูงสุดว่าได้นอกเหนือไปจากสติปฐานทั้งสี่ เพราะเห็นนั้นปฏิปัฏฐานทั้งสี่จึงเป็นทางเดินของพาริยเจ้าทุกๆประเภทกายหมายถึงอวัยวะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉย จิตหมายถึงเจตสิกธรรมที่ปรุงขึ้นไม่ขาดวัคขาตอนทมหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจมี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่บรรดาภ ร, ริยเจ้าทุกๆุประเภทต้องถือ สติปัฏฐานสี่เป็นอารมณ์ของใจการพิจา ร, รณากายจะเป็นตายนอกก็ตามกายในก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิคูลโสโครกบ้างเหล่างนี้เรียกว่าพิจารณากาย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 มีเรียกว่ากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตามหายเป็นไปเพื่อความเห็นโทษห้เป็นไปเพื่อความแก้ไขห้เป็นไปเพื่อความสฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียบแบบพิจารณาตายในสติปัฏฐาน การพิจารณากายทั้งหลายเราที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุ ป, ปาทานเมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสําคัญในกายนั้นบ้าเป็นอย่างไร ซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บันเทาหรือเบาลงไปหมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน้ากำหนัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบอกเกิด่างอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดปัดเป็นลำดับเ็นยังองค์สมเด็จพระปูมีพระค่าเจ้าท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในปา่าช้าให้พิจารณาสากอศบในปา่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกนั่นเอง การพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายในการพิจาราไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวต้องถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกันกันกบกรารรับทานอาหารเป็นประจําวันแต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นเนร่ําเวลาเช่นอย่างวันหนึ่ ง, งสามมื้อบ้างสองมื้อบ้างหรือมื้อเดียวบ้าง แต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามเป็นอาจินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุปาทานออกจากกายที่เป็นบอกเกิดของความหลง <c oughs> มีเดีว่าการพิจารณากายานุปัฏนาสติปัฏฐาน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 ความส่อแสแหงหาโดยทางอารมณ์ช่งเกี่ยวกับกายความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุปทานได้หมดไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญาสิ่นเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือทีนี้เราคุ้ทราบว่าการพิจารณาเนกติปฐานสี่นี้เราจะต้องพิจารณา ตายซะก่อนแล้วก็ต่อไปเวทนาต่อไปจิตและต่อไปธรรมอย่างนั้นเป็นการคาดผิดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนหนึ่งสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็นสี่ประเภทเท่านั้นในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวเวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้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 ว่าอันนี้จังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยตรลักษณ์เท่านั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขอังอนาตตาไปแล้วก็บใบเสดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามเจ้าภาพของเขา มเรื่องควาพิจารณาเวทนาเราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นชอบเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่แล้วความติดในอาการทั้งสี่หรือในสภาวะธรรมทั้งสี่นี้คือการเวทนาจิตธรรมเราไม่เลือกติดตามการตามเวลาของเขาติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวะธรรมทั้งสี เพรา น, นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวธรรมทั้งสี้จึงไม่จําเป็นจะต้องกงลลําหนดโดยร่ำเวลาคําว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสัมผัสมั่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งตูงแต่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามตูงว่ายอย่างไรหมายว่ายอย่างไรกําหนดพิจารณา ตามก็ใส่และของใจสิ่งที่เป็นหมายหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วทิองเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตที่เจรนาที่จิตจดต่อ น, นั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมนี่ฉันว่าที่เจรนา เวทนานในเวทนานอกอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันไม่ชัดเช่งอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมปา่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเวทนาในานี้จะหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานา น, า น, านอกถ้าเราเจอหมายคนอื่นเป็น ทุกคนลามาห่างว่าเขามาดแสดงกิยามนรษา์อาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นถูกเป็นตุกแล้วเราจะมีช่องทางหรือโอกาสที่จะนาเวทนาของเขาได้อย่างไรมีเป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสมเหตรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิด ก, ก็ตามข้อสําพัน์ให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิด ขึ้นในการกระทำของตนเป็นความสุขเป็นไปเพความสงบเป็นไปเพความแย่ภายเป็นไปเพความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจัดกรับรมของพระพุทธเจ้าพเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้แล้วก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนในพิจารณาอย่างไรให้รนรตท่านทั้งหลายฟังเวทนานอก นั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนาในหมายถึงจิตตเวทนาคือเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนหนึ่ง อ, อวัยวะหรือจะปวดที่กงไหนทุกข์ที่กงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเมทนานอกจะเป็นสุขขนก ข, ขึ้นทางกายก็ตามเสียเฉยขึ้นทางกายก็ตาม จัดว่าเป็นเวทนานอกทางนั้นส่วนเวทนานในนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอํานาจของสมุทัยเป็นเครื่องผักดันเปิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างเปิดความสุขความลื่นเดินขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างตรงนี้เรียกว่าเวทนาในการนิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนานในมีตรายรับ เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสิงเป็นเครื่องดําเนินด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอกที่มีอยู่กับกายนี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญา ที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำหนับมีการพิจารณาชัิประฐานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามประยัท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายก็พอเข้าใจแล้วกระแสะของใจเรามีความเกี่ยวข้องจะอีกพิกแพลงพิกแปในอารมณ์อันใดคอยสังเกต ความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอมีเรียกว่าพิจารณาจิตคือพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทําความเพียรอยู่นั่นเองในการเดียร์สมัยเดียร์นั่นเองสามารถที่จะพิจารณาสติบัตรฐานทั้งสี่นี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้งสี่นี้ เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นซับสนเป็นเปตันติตลอดเวลาไม่ได้มีการกําหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนและเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสันพพานร่างกายและจิตใจของเราทั้งนั้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสติ ฐ, ฐานสี่ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับกายของเราในส่วนใด น, นั้นเป็นเรื่องถูกต้อง เมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามต้านกลางจิตใจของตนบางคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสีนี่แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในสถานที่นี้ําว่าอาริยะที่ท่านกล่าว ตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิ ธ, ธานาคารหารันก็ต้องได้อุบายไปจัดทมทั้งสี่ประเภทนี้เองด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดเจนแจ่มชัดตามไปกินในสภาวะนี่แล้วควรจะได้รับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นขั้ น, นตามแต่กำลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในทำขั้นไหน ด้วยนั้นผลึงจรากฏขึ้นว่าเป็นพระสวสดาบ้างเป็นพระกิทาคามบ้างเป็นพระนาคามบ้างเป็นพระราหารบ้างหล่างนี้การพิจารณาพระคีฏฐานทั้งสีก็ดีการพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้งสีก็ดีอย่าพึงทราบมากเป็นคนละทางและอย่าพรงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ ต่างกันตั้งแต่ชื่อเท่านั้นในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอเดียตจังชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุกขนี้วียกว่ากาศการพิจารณาในความทุกข์ความลําบากความทรมานของกายนี้ก็จัดเป็นกายยานุปัสตนาด้วยเป็นทุกขะศัตรุด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจ ก็จัดว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนทั้งเรื่องของส ม, มูไทยด้วยและทุกทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ดีนี้เป็นเรื่องของทุกข์การพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนี่เป็นอุบาสที่จะถอนส ม, มูไทยซึ่งเป็นนาสําคัญอยู่ภายในใจ มีพ ร, มพร้อมกันไปแล้วเพราะนั้นเรื่องอริยัจธรรมทั้งสี่ก็ดีเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ก็ดีถึงทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีสิทธิดตกันหนถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่ากายทั้งเราทั้งหมดนี้เราให้ชื่อว่าข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งข้างซ้ายอย่างหนึ่ง ข้างขวาอย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจัดตายข้างล่างที่ไหนนอกไปจัดตายข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกไปจัดตายอันเดียอันนี้ออกจากตายอันเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่าไว้ว่าอริยสัจจะรมทั้งสีก็ดีปฏิปทานธรรมทั้งสี่ก็ดีทึงทราบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้ เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัฏนาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอำนาจของปัญญาเราพิจารณาม่อีกดยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจเท่า หรื อ, อยกว่าถอนอุปทานของกายจะได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้งสามให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนหนังกายนี่แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่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 หรือาการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิจารณาตามขั้นของจิตที่มีความติดพันจิดมั่นผัวพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องขี้สายเปิดเผยให้จิตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายใ น, นเช่นอย่างพิจารณากายเหตที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสําคัญการนี้ว่าเป็นอะไรมั่ง ไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมตินิยมที่กายจะทําความที่กายจะทำความหมายททาขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นที่น่ารักที่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นความสําคัญที่เกี่ยวพับกันเท่า น, านั้น เมื่อปัญญาได้ขี้กายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในตายอันนี้มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหนมีของเที่ยงถ้าเทีเ่ยงแค้ท้าวอที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปรอยู่ที่ไหนมีอัตอยุทธ์อยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกานี้ชี้แจงสแสดงโดยทางปัญญา ให้ใจได้เห็นชัดก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกติให้ใจได้เห็นชัดให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่จริงที่เป็นไปตามจิตของตนมุ่งหวังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตนแล้วจิตก็จะปล่อยวางจากสภาพทั้งหลายเหล่านี้โดยอัตโนมัติของตนเองไม่ต้องบังคับให้ถอให้ถอนให้ปล่อยให้วางแต่อย่างไรพาจิตได้เห็นชอบ ตามปัญญาแล้วที่ปล่อยวางมาอย่างนี้การพิจารณาเวทนาก็ที่คลายเช่นเดียวกันกับที่คลายส่วนที่คลาให้จิตเห็นชัดที่คลายดูเวทนาทั้งสามถูกทุกเผยเฉยที่คลายดูสัญญาให้ชัดที่คลายดูสังขารให้ชัดที่คลายดูยิน ญ, ญาณให้ชัด โดยลักษณะเช่นเดียวกันกันกบที่ตายในส่วนตายด้วยปัญญาให้จิตได้กรองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ที่ช่องบอกทางได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้อดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเนาเป็นของเหลาเป็นตนเสีย นี่เราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้รับเพราะอำนาจของปัญญานี่จิด ก, ก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามากระแสะของใจที่วิ่งอยู่ลิกๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความ สำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันอดถอนมาพร้อมๆกันนี่การเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้พิจารณานในสภาวะธรรมส่วนหยาบมีรูปเป็นต้นแล้ให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้ลับ เป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผยโดยทางปัญญาเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็กระลาเป็นธรรมที่เปิดเผยอยีกเทอยอย่นเดียวกันนี่ยิ่งจะได้เห็นกระแสของใจที่เพ่นพ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืน เป็นเรื่องที่ว่าตื่นงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะ น, นี้แต่ก่อนถูกรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสและความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกติกำบังกระแสของใจจึงจะเห็นแต่กลิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นปุ่นเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์คุทโธแต่ผู้เดียวทั้งๆ ท, ท, ที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนต่อเมื่อได้คี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนาม ให้ชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจเห็นกระแสทั้งใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้เแต่บอกเกิดแห่งกระแสของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกขี้คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัตจักรเป็นความรู้ติภูษณ์นี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญา ธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอันใดที่เหลือรออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหกมยาสาไถให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาปัญญานี่แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดได้เก่อวิชชาในคือความรู้ที่เต็มด้วยวัฏจักรอันนี้ในแต่กระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้ว นั่นแหละเราจึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกติแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความลุ่มหลงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิทธท์พุทโธโดยไม่ต้องเิดสันแต่อย่างใด ได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในหลักาตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแกมแย้งแล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผย อ, อยู่ตลอดเดวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปตัดรูปบุคคลรูปสภาวะ ท, าทั่วไปทั่วทั้งจั ก, กรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันน้ําก็เหมือนกัน เวทนาสัญญาสังขารมินญานทุกทุกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตาก็กระจายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบอกเกิดแห่งความลี้ลับได้แก่อวิชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชาัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกธาตุนี้จึงเป็นอันว่ายุติ ไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่วัฏจักรเป็นอันว่ายุติกันลงได้ในจิตนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งนี้ลับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุชิตังปรมจริยังพตังกรณียัง หมดกิตในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างไรอีกหมดทั้งการละการถอนความลี้ลับหรือปิดบงังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันมากสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยแจ้ทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุดดทธิ์พุทโธตรงนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวธรรมทั้งหลายได้เปิด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 ทำที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใหนลี้รับในโรกภัย โ, โลกภัยโรคภัยน้แต่ว่ามิวัตตะที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวิธีทางธรรมจาย์ยังเพราะเห น, นั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปัญญีโกน้อมเข้ามาตูวตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบาย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 แต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรม ท, ที่ลี้ลับที่สุดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทปริวาาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกลายเป็นของลี้ลับไประจำตามกันพอธรรมชาตินี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจงกระทั่งถึงเยื่อตะทีพนิพานท่าเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผย อ, อย่างนี้ เราทําข้อวัดปฏิบัติทุกขิก่ง ท, ทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นวัตตะทั้งสิ่งที่เป็นวิวัตต์ักขอให้มา น, นาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กําหนดทินิษฐ์พิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านท่านหาจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัตตจักด้วยทั้งวิวัตตจักรด้วย ในสันติโกวความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอาวาสานกะธรรมดีเท น, นานี้นขอวุญญาณุภาพขอ ง, งสมเด็จพระบุญญาพาคษ์จาพร้อมทงกระทมหลวพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจรนะิญกุางเรือในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงอิมุติอิมุติญาทัศนะให้กลายเป็นธรรมเกิดเผยแก่กบรรดาท่านทั้งหลายโดยเร็วปั่นเถือ